ตรงข้ามเ้นแทนที่จะอาหารสมองเยอะแทนที่พิกไทยในะร่างกายจะน้อยเนี่ยแต่ว่าการบรีโภคของเด็กไทยซึ่งก็คมรวมถึงพ่อแม่ด้วยเนี่ยมันตรงข้ามนะอาหารสมองนี่น้อยมากทีละสามพันแต่ผักไทยต่อร่างกายนีย่มันเยอะอันนี้เรียกว่าเป็นพะไม่รู้จับควบคุมนะความอยากของตัวเห็นการ